คือกรรมที่ให้วิบากในนรกก็มีที่ให้วิบากในกำเนิดสัตว์ดีรฉานก็มีที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มีที่ให้วิบากในมนุษยยโลกก็มีที่ให้วิบากในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรมจากนิเพธิกะสูตรคนพานประพฤติ ท, ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแล้ว